เจริญสุขสวัสดีครูน้อยมีความสุขใจที่ได้เห็นทุกท่านกลับมาสู่บ้านแห่งสติเพื่อสร้างสมบารมีทางปัญญาร่วมกันอีกครั้งครับในบทเรียนครั้งก่อนเราได้เรียนรู้อุบายหรือเคล็ดลับในการเป็นนายช่างชุบชูใจตนเองเราได้เรียนรู้วิธีการจุดไฟแห่งความเบิกบานขึ้นในใจที่มืดมนโดยการระลึกถึงความดีงามของตนเองเมื่อไฟในใจของเราลุกโชนดีแล้ว คือมีทั้งความสว่างและความอบอุ่นขั้นต่อไปคือการเรียนรู้ที่จะรักษาเปลเวไฟนั้นให้นิ่งและมั่นคงไม่ให้วันไหวไปตามแรงลมที่พัดผ่านเข้ามาเราจะฝึกฝนเพื่อสร้างจิตที่หนักแน่นสงบและไม่สั่นคลอนดุดดังภูผาอันยิ่งใหญ่นี่คือบทเรียนในบทที่12ซึ่งจะนำเราไปสู่ความแข็งแกร่งภายในมีชื่อว่าตั้งจิตให้มั่นคงดังภูผา บทที่สิบสองตั้งจิตให้มั่นคงดังภูผาเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่การสร้างที่พึ่งภายในอันแข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวหลังจากที่เราได้ฝึกฝนกันมาเป็นลำดับจนสามารถทำจิตให้สงบให้เป็นสุขและให้เบิกบานได้แล้วนั้นพลังของสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตก็จะเพิ่มผูนขึ้นจิตจะเริ่มมีคุณสมบัติที่เรียกว่า เอกักคตาคือการที่จิตสามารถตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจหรือความสงบได้อย่างต่อเนื่องและแน่วแน่ครูน้อยอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงภาพของภูเขาหินขนาดใหญ่ภูเขานั้นตั้งทำงานอย่างสงบมีลมพายุพัดโหมกระหน่ำจากทุกทิศทางแต่ภูเขาก็ไม่เคยสั่นคลอนมีฝนฟ้าะนองสาดซัดลงมาอย่างรุนแรง แต่ภูเขาก็ไม่เคยเปียกชุ่มเข้าไปถึงแก่นหินมีแสงแดดแผดเผาในยามกลางวันแต่ภูเขาก็ยังคงสงบนิ่งอยู่เช่นเดิมจิตที่ได้รับการฝึกฝนจนตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะมีคุณสมบัติคล้ายดัง่งภูผานี้เสียงรูปกลิ่นรสที่ผ่านเข้ามาทางทวารต่างๆก็เปรียบเหมือนสายลมที่พัดผ่านไปไม่สามารถทาให้จิตสั่นไหวได้ ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ผุดขึ้นในใจก็เปรียบเหมือนหมู่เมฆที่ลอยผ่านยอดเขาไปมาแล้วก็ไปไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับภูเขาคือจิตผู้รู้แล้วเราจะสร้างจิตที่มั่นคงดั่งภูผานี้ได้อย่างไรเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การบังคับหรือการเกรงเพราะการเกรงมีแต่จะสร้างความเหนื่อยล้าแต่เคล็ดลับอยู่ที่การปล่อยวางและวางใจครับ เมื่อเราได้เตรียมจิตของเราให้ดีแล้วคือสงบสุขและสว่างจิตจะมีความพร้อมที่จะพักด้วยตัวของเขาเองหน้าที่ของเราคือค่อยๆวางจิตลงบนฐานที่ตั้งคือลมหายใจหรือความสงบแล้วเชื่อใจเขาปล่อยให้เขาได้พักอยู่ตรงนั้นโดยที่เราถอยออกมาเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่ห่างๆไม่ต้องเข้าไปจ้ำจี้จ้ำใช้ไม่ต้องคอยประคอง ยิ่งปล่อยวางจิตจะยิ่งทรงพลังและตั้งมั่นเอาล่ะครับเรามาฝึกสร้างภูเขาแห่งความสงบในใจของเราไปพร้อมๆกันณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบายจัดวางกายและใจให้เข้าสู่ความสงบตามลำดับขั้นที่เราได้เรียนรู้กันมาเมื่อรู้สึกว่าจิตของเราเริ่มสงบมีกํำลังและตั้งมั่นดีแล้วครูน้อยขอเชิญชวนให้ทุกท่าน น้อมจินตนาการในความรู้สึกว่าบัดนี้ร่างกายและจิตใจของเราได้ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นดั่งภูเขาอินอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่หายใจเข้าให้รู้สึกถึงความหนักแน่นและมั่นคงของภูผาหายใจออกให้รู้สึกถึงความสงบนิ่งและไม่วันไหวครับบัดนี้ให้เราลองเปิดการรับรู้ทั้งหมด หากมีเสียงใดๆดังขึ้นให้รับรู้ว่านั่นเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านภูผาไปมันไม่สามารถทำอะไรภูเขาได้เลยหากมีความคิดใดๆผุดขึ้นในใจให้รับรู้ว่านั่นเป็นเพียงก้อนเมฆที่ลอยผ่านยอดเขาไปแล้วก็จางหายไปในที่สุดหากมีความรู้สึกทางกายเช่นอาการปวดเมื่อยให้รับรู้ว่านั่นเป็นเพียงก้อนกรวดเล็กๆบนผิวของภูเขา ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงแก่นกลางอันอิ่งใหญ่หน้าที่ของเราคือการเป็นภูเขาคือการตั้งมั่นและรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นวางใจและพักอยู่ในความมั่นคงนี้ปล่อยวางผู้ควบคุมแล้วมาเป็นผู้รู้ที่สงบนิ่งเมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านยังคงอยู่ในความรู้สึกที่มั่นคงนั้น จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิดังภูเขานี้คือจิตที่มีพลังมีความสะอาดและมีความใสสว่างเปรียบเหมือนน้ำในทะเลสาบที่นิ่งสนิทจนสามารถมองเห็นทุกสิ่งได้ถึงเบื้องล่างจิตที่ตั้งมั่นเช่นนี้เองคือฐานยิงจรวดที่ทรงพลังที่สุดที่จะส่งให้จรวดคือปัญญาของเราพุ่งทะยานขึ้นไปประจักษ์แจ้งในความจริงของชีวิตในลาดับต่อไปขอให้ทุกท่าน ได้นำความรู้สึกมั่นคงดั่งภูผานี้ไปเป็นเกราะป้องกันจิตใจและเป็นที่พึ่งภายในในการเผชิญกับพายุของชีวิตครับเจริญสุขสวัสดี